คนที่ตายโดยอุบัติเหตุและค่าตัวตายมีอนาคตอย่างไรตามที่ผมได้แปลหนังสือโลกทิพย์และหนังสืออื่นอื่นอีกหลายเล่มมักจะปรากฏว่าคนที่ตายไปแล้วจะต้องมีคนมารับเสมอซึ่งหมายถึงพวกโอปปาติกะด้วยกันมารับแต่จะข้อเท็จจริง ตามที่รู้กันอยู่ทั่วไปนั้นปรากฏว่าคนที่ตายโดยอุบัติเหตุเช่นถูกรถชนตายอย่างนี้เป็นต้นมักจะปรากฏว่าผู้นั้นก็ยังอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนซึ่งบางทีก็ปรากฏตัวให้คนอื่นเห็นหรืออาจจะแกล้งทำอันตรายต่อคนอื่นเช่นตนเองถูกรถชนตายในที่แห่งใดก็มักจะทำให้บุคคลบางคนถูกรถชนตายหรือขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอย่างนี้เป็นต้นทาให้สงสัยว่า บุคคลที่ตายโดยอุบัติเหตุเช่นนี้จะไม่มีใครมารับหรืออย่างไรและในกรณีของคนที่ฆ่าตัวเองตายเช่นผูกคอตายกินยาตายหรือยิงตัวเองตายก็มักจะปรากฏเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันคือพวกโอปปาติกะเหล่านี้มักจะแสดงให้รู้ว่าตนเองยังอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนเหมือนกัน พ่อฤาษีได้ตอบว่าในกรณีของคนที่ตายโดยอุบัติเหตุนั้นพวกนี้ส่วนมากจะยังไม่ไปไหนจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในบริเวณที่ตนเองตายก่อนเพราะพวกนี้จะจัดเข้าอยู่ในประเภทที่จะไปเกิดในสวรรค์ทันทีก็ยังไม่ได้จะเป็นพวกที่จะไปตกนรกทันทีก็ยังไม่ได้แต่การที่เขาต้องมาตายด้วยอุบัติเหตุเช่นนั้นก็เป็นด้วยบาปกรรมในชาติก่อนให้ผล แต่บาปที่เขาทำนั้นไม่มากถึงกับทำให้ตกนรกเพราะฉะนั้นในบางกรณีจึงทำให้ตายโดยอุบัติเหตุคนที่ตายโดยอุบัติเหตุทุกรายซึ่งเมื่อตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะแล้วจะต้องได้รับความทรมานทั้งในทางร่างกายและจิตใจเช่นบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นจะยังไม่หายคือเป็นโอปปาติกะแล้วร่างกายก็จะยังมีบาดแผล และได้รับความเจ็บปวดอยู่อีกจะทรมานอย่างเดียวกับในเวลาที่คนคนนั้นยังไม่ตายยังเป็นมนุษย์อยู่ส่วนในทางจิตใจก็จะได้รับการทรมานหลายอย่างเช่นพวกนี้ส่วนมากครั้งแรกจะเข้าใจว่าตนเองยังไม่ตายและก็อยากจะตายเพื่อจะให้หายจากบาดแผลต่างๆและความทรมานต่างๆแต่แล้วมันก็ไม่ตายและไม่หายอยากจะทาอย่างนั้นอย่างนี้แต่และก็ทาไม่ได้ จึงทำให้รู้สึกงุนงานและได้รับความทุกข์ทรมานหลายอย่างที่ตนเองต้องมาอยู่ในภาวะอย่างนี้พ่อฤาษีบอกว่าอันที่จริงการที่เขาได้รับความทุกข์ทรมานอย่างนั้นก็เป็นการตกนรกอยู่แล้วแต่เป็นนรกขนาดเบาเขาจะได้รับการทรมานเช่นนั้นไปจนกว่าจะสิ้นกรรมบุคคลบางคนซึ่งถ้าเคยทําความดีไว้ในชาติก่อนมาก เมื่อสิ้นบาปกรรมอันนี้แล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์หรืออาจจะมาเกิดเป็นคนอีกก็ได้ส่วนผู้ที่เคยทำบาปไว้มากเมื่อสิ้นกรรมอันนี้แล้วบาปกรรมในชาติก่อนที่ได้ทำไว้อย่างมากมายนั้นก็จะให้ผลซ้ำเติมคือทำให้ไปเกิดในนรกต่อไปอีกสำหรับในกรณีของผู้ที่สิ้นกรรมแล้วจะไปเกิดในสวรรค์นั้นพ่อฤาษีบอกว่า เท่าที่ท่านรู้จะต้องมีโอปปปาติกะจากสวรรค์มาคอยรอรับอยู่เสมอและในกรณีของผู้ที่จะไปนรกก็เหมือนกันความจริงบุคคลที่ตายโดยอุบัติเหตุนี้ทุกรายใครจะไปทางไหนจะมีพวกโอปปปาติกะมาคอยรับตั้งแต่แรกแล้วที่จะให้ไปตามทางของตนแต่ในเมื่อบาปกรรมที่ทำให้เขาต้องตายด้วยอุบัติเหตุนั้นยังไม่สิน้นผู้ที่มารับก็จะทาอะไรเขาไม่ได้ จะต้องปล่อยให้เขาอยู่ในสภาพเช่นนั้นไปก่อนจนกว่าจะสิ้นกรรมส่วนในกรณีของผู้ที่ฆ่าตัวตายโดยหลักธรรมดาบุคคลผู้นี้ได้ทำบาปหนักยิ่งกว่าบุคคลที่ตายด้วยอุบัติเหตุเพราะการฆ่าตัวตายเป็นบาปยิ่งกว่าฆ่าคนอื่นตายและจะต้องลงนรกเสมอแต่การที่คนซึ่งฆ่าตัวตายยังวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ฆ่าตัวเองนั้น เป็นเพราะยังมีความเป็นห่วงและอีกประการหนึ่งคนประเภทนี้แม้จะได้ชื่อว่าตั้งใจจะฆ่าตัวเองให้ตายแต่เมื่อตายไปแล้วเกือบจะทั้งหมดคิดว่าตัวเองยังไม่ตายและก็สงสัยอยู่เสมอว่าทำไมมันจึงไม่ตายแล้วก็พยายามที่จะฆ่าตัวเองต่อไปอีกทั้งทั้งที่ตัวเองก็ได้ตายจากโลกมนุษย์ไปแล้วแต่ด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเองไม่ตายและด้วยความรู้สึกผูกพันที่มีต่อพ่อแม่ญาติพี่น้อง หรือใครต่อใครก็ตามหรือด้วยความรู้สึกผูกพันที่มีต่อทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของใดๆก็ตามในสมัยที่ยังเป็นคนอยู่นั้นอันนี้แหละคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ยังต้องวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ฆ่าตนเองตายหรือวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนเป็นห่วงอันหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแทรกคาอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยซึ่งก็เป็นคาอธิบายที่ข้าพเจ้าได้รับจากท่านานานมาแล้วว่าในกรณีของคนที่ฆ่าตนเองตายหรือตายด้วยอุบัติเหตุแล้วไม่รู้สึกว่าตนเองได้ตายไปแล้วนั้นเป็นเพราะคนเหล่านี้เข้าใจว่าถ้าตนเองจะได้ชื่อว่าตายไปแล้วจริงๆรูปร่างก็จะต้องไม่มีความรู้สึกนึกคิดใดๆก็จะต้องไม่มีทั้งนี้เป็นเพราะเมื่อเขายังเป็นคนอยู่ เมื่อเขาเห็นใครตายเขาก็มีความรู้สึกว่าคนคนนั้นได้สูญไปหมดแล้วทั้งในทางร่างกายและจิตใจคนประเภทนี้มีความเข้าใจผิดอันนี้ฝังอยู่ในสันดานเป็นความเข้าใจผิดของตนที่เข้าใจว่าตายแล้วสูญด้วยความเข้าใจผิดอันนี้แหละที่ทำให้เขาเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ตายทั้งนี้ก็เพราะเขายังรู้สึกว่าร่างกายเขาก็ยังอยู่ ความทุกข์ต่างๆที่ตนเองอยากจะพ้นก็ยังอยู่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆก็ยังเหมือนเดิมจะว่าเขาตายไปได้อย่างไรบุคคลประเภทนี้บางคนก็ดื้อมากแม้จะมีโอปปติกะที่หวังดีมาอธิบายด้วยการอ้างเหตุผลอย่างไรก็ตามบุคคลประเภทนี้ก็ยังยืนยันอยู่ว่าตัวเองยังไม่ตายอยู่นั่นเองซึ่งที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะเขาก็มีข้อเท็จจริงที่ยืนยันให้เขาต้องรู้สึกเช่นนั้นอยู่เสมอคือ เขาจะอ้างอยู่เสมอว่าจะว่าตายแล้วได้อย่างไรถ้าตายก็ต้องไม่มีอะไรนี่มันยังมีทุกอย่างร่างกายก็อันเดิมจิตใจก็อันเดิมแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าฉันเป็นคนตายมันเป็นไปไม่ได้บางคนก็ถึงกับต้องร้องออกมาด้วยความทรมานโอ้ยฉันทนไม่ไหวทำไมฉันไม่ตายสะทีและบางคนก็ร้องออกมาว่าเขาหาว่าฉันตายมันน่าขำซึ้งละเกินคนตายพูดได้ ไยานใหญ่ท่านผู้อ่านโปรดนึกถึงคําสอนในพุทธศาสนาที่ว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเวลาจะตายจะต้องเป็นบุคคลที่หลงตายซึ่งหมายความว่าเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องความตายและการเกิดใหม่เขาจะอยู่ในภาวะแห่งความหลงผิดเหมือนดังที่กล่าวมานี้โปรดสังเกตว่า ความเข้าใจผิดที่คิดว่าตัวเองไม่ตายนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากมิจฉาทิฏฐิที่ได้ยึดถือเอาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์คือพวกนี้มีความเห็นว่าคนเราตายแล้วก็ศูนย์อันหนึ่งท่านควรจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าร่างกายของโอปปปาติกะทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของวิญญาณคือเกิดจากอวิชาตัญหาอุปาทานและจากวิบากของกรรลุ้นล้วน เพราะฉะนั้นในเมื่ออาวิชาตันหาอุปาทานยังอยู่ในรูปเดิมด้วยอำนาจแห่งวิบากของกรรมก็จะทําให้สภาพของร่างกายออกมาในรูปเดิมพวกอปปติกะเหล่านี้ไม่เคยรู้ความจริงเหล่านี้มาก่อนหรือถึงแม้บางคนจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแต่ก็ไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นเมื่อตายมาแล้วจึงได้มีความหลงผิดอันหนึ่ง ท่านควรจะทราบถึงความจริงอีกข้อหนึ่งว่าความคิดหรือความเข้าใจของผู้อปปาฏิกะเปลี่ยนแปลงยากมากคล้ายกับคนแก่ที่สมองเสื่อมแล้วรับความคิดใหม่ๆไม่ได้ตัวเองเคยมีความคิดเห็นอย่างไรเคยเชื่อมาอย่างไรก็มักจะมีความเห็นและเชื่อไปตามนั้นทั้งนี้ยกเว้นบุคคลบางประเภทที่ทำอะไรมีเหตุผลเสมอ บุคคลประเภทนี้ความคิดเปลี่ยนแปลงได้ง่ายถ้าหากมีใครมาแนะนำอย่างมีเหตุผลเธคิดดบ ทำยังไงไม่เปรียนตัวเธอเพใจากขึ้นไปเธอได้จากไปแล้วโอกาสโกาตัวหลุดอยหายไปตอนนี้ลมห้ยใจไม่เคยสนใจชีวิตกวาที่รู้ว่าที่คิดได้ก็สลายไป Can't o